แต่มาบ้านหลวงจิตไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสึบต่อกันมาเรื่อยๆมีอยู่องค์หนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ อ, อคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยสั่งสั่งกันต่อตอมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ทิ้งสถานที่นี้อันนีที่นี้ทำประโยชน์ให้กับคนมากนี่หลวงพ่อเอง ตอนไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองการโยมทางสารุชินโยมพี่กิตติโยมที่ติ๋วพี่ติ๋วรูปรูคินเคยไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี่หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นซ้ำใหม่เทเลอร์ซลา่มันคงไม่ดีน่าเกลียดนี่ตอนนี้ผมวง่อย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศีีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจำถางหดี๋วพ่อก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชาเปยากอดีพวกเด็กกลางทำอุทธนาคุณพวกนี้ไปให้มาช่วยสอนในกรุงเทพที่แรกจะชวนไปที่บันาน่าเนะี่มาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือ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 เป็นเห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนา้าความดิ้นรนห่วงแขนร่างกายก็จะสลายไปหรือเรียนรู้ลงไปที่จิตใจเนียเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสุบเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวนะทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจเราล้วนแต่ของชั่วคราวกันนะกระทั่งตัวจิตตัวใจเองก็ของชั่วคราว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 ครูบาจารย์สอนมานะอย่างหลวงป <Okay. S 1> ู่เทศเคยสอนบอกรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทยัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะละละสมุทัยคือละความดิ้นรนใจมันจะเลิกดิ้นรนที่ยววิ่งหาความสุขเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ใจที่มันเลิกดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรดนิโรดหรือนิพานนั่นเอง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 นี้ทำไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ศัตรูของการรู้กายรู้ใจเรามีสองอย่างศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือาการที่เราหลงไปอยู่กับความคิดของเรานั่นแหละศัตรูหมายเลขหนึ่งถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้ทันว่าใจเราไหลไปคิดแล้วเมืนั้นเราจะตื่นขึ้นในฉับพลันตื่นในฉับพลันเพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกนะเราจะตื่นในฉับพลันธรรมะเนี่ยใครเข้าถึงแล้วจะอุทานบอกว่าอัศจรรย์จริงๆ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 เดี๋ยวก็จะเผลอเดี๋ยวจะลืมตัวครั้งใหม่เพราะฉะนั้นตัวอุตสรหรือความรู้สึกตัวหรือตัวสติเองก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันไม่มีใครรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องยาวนานได้นะสิ่งที่ทําให้ต่อเนื่องยาวนานได้เียนเดียวคือสมาธิไม่ใช่ตัวสตินะสติไม่ต่อนนะต่อเนื่องยาวนานที่ เ, เกิดแล้วก็ดับเนนบกิดแล้วก็ดับเป็นขณะขณะไปอุตสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงก็เกิดเป็นขณะขณะเหมือนกันเช่น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 ถ้าไปพอแก่ๆนะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุขพอแก่มากจะใกล้ตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกขึ้นที่ไหนละถ้าตายจะได้จะมีความสุขหรือจนตายยังคิดติดนะถ้าตายได้จะมีความสุขเราวิ่งหาความสุขไปเรื่อยเรื่แล้ววิ่งคลานคลานคลานนะยิ่งกว่าหมาสูกน้ำร้อนนะพูดพูดแบบง่ายๆวิ่งคลานตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนมันไม่ได้มีความสุขความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งหาตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันมา วิ่งเหมือนจะหยิบได้นะเหมือนจะคว้ า, ามาได้แล้วก็เลื่อนหายไปหลุดมือไปไปรออยู่ข้างหน้าอีกค่ะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าเรามาคอยรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยโอ้หน้าเนี่ยอน า, นาดน้ําตาแทบร่วงเลยนะมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยมันดีตรงไหนเร่เต้ารู้ไปเรื่อยๆนะรูปกายไปเออกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์บีบทั้งตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีความไม่เป็นอิสระถูกกดขี่ถูกบังคับอยู่ตลอดเวลา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 <N> นะพวกเรารู้สึกไมมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆ ก, ก็ยังเป็นเราคนเดิมเนื่อเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความเกิดจากของจิตนั่นเองเราเลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตของเราตอนเด็กกับตอนนี้คนเดียวกันจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเย็นนี้ก็คนเดียวกันเรายังเป็นคนเดิมอยู่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 หลวงปู่สุวัตบอกง่ายง่ายท่านง่ายแล้วท่านอยเงียบเงียบเป็นนิดนึงนะแล้วท่านก็นจะบอกว่าแต่มันก็ยากเหมือนกันหละทำไมมันยากเหมือนกันแหละเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เราเคยฝึกแต่จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจคืออัดตับกิลมัทฐานุโยกนะคือความสุดต่งข้างบังคับตัวเองนะต้งเข้าใจส่วนทางสายกลางเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริง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 หลวงพ่อเตียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอะไรเงี้ยผู้บาาจาร์จริงๆแตลวงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงลนะไอหลงก็ตายไปเหมือนแมวมาจับหนูไปแนละ้ะจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ่อเทพไม่เป็นนะเทพไม่เป็นหรอกธรรมดาจะสอนกรรมฐานสอนทีละคนสองคน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 สติเกิดก็มีความสุขแล้วสมาสัมมาสม า, สมาที่เกิดก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาเกิดก็มีความสุขอีกมิมุติเกิดก็มีความสุขมากนะถึนิพพานยิ่งมีความสุขที่สุดเป็นลําดับลําดับไปเฉั้นเราศึกษาธารรมะเราจะมีแต่ความสุขทั้งๆ ท, ที่เราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆกเนี่ยมันจะสุขนี่มันอัศจรรย์เรียนรู้ทุกข์แล้วมันสุขนะเที่ยวสแสวงหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์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 เก็บกดเฉยๆดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอเรื่องหลวงพ่อเคยสารอีกหนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆแล้วจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายละในเกณน์ไม่พอเราพอพูดเล่นพวกเรารู้สึกความลายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง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 กูสนเกิดน้อยนะอะกูสนเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบือ่อเดี๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันถ้าเก็บกดนะไม่เป็นเ่งนิ่งๆชื่อๆนะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนกีเลสไหมค่ะคาวท่านะว่าท่านบอกว่าเมื่อเราเก็บอะไรขึ้นมาให้โรเรารวาโกรธไม่ต้องอ่าไม่ต้องเลยนะ ม, มันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนเลย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 ที่เารมการดูรูปรมมันะดได้ยากกว่าการที่เนอะไรนะการยูรูปให้เป็นธรรมด์จะดูได้ยากกว่าทีนี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายนี่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมุติบัญิก็หลังไม่เรียกมือเรียกแขนคนจีนเรียกชิ่วอย่างนี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 ธาตุอวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็คือธาตุอย่างหนึ่งททนะก็ธาตุจุมหนึ่งไม่ใช่ธาตุอย่างหนึ่งธาตุจุมหนึ่งนะที่เราสมมติเรียกว่าผมขนเล็บฟันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มธาตุสี่นั่นเองในชีวิตจริงเราจะต้องรู้จุดไปในในรูปคลิ้งนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้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 จิตมันต้องถอนถอน ข, ข, ขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเจริญปัญญาเห็นกายเป็นตัวรูปแนละ้รูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นก่อนเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณนน้เหมาะกับคนเล่นฌานผูู้บาอจารย์เราส่วนใหญ่นะมาสาราปชินเนี่ยส่วนมากครูบาอจารย์สายวัดป่าให้ครูบาจาราย์วัดป่ า, า, ท า, ทาทำสมาธิก่อนมาทําสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ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 นะเพราะฉะ น, นการเห็นรูปการเจริญกายานุพพินาที่จะเอามรรคผลนิพพานนะควรจะทำสมาธิแต่ต้องเป็นสัมมาสมาธินะมิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคริ้มงอกแงงอแ ง, องอไม่ได้กินหรอกนะขาดสติเนี่ยนิสิตจับก็คือไปดูตาดูปกติไปก็เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่นะเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือพอตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันคู้ได้อยู่เสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทัน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 หลวงปู่ครับผมจะละกามจะทํำยังไงหลวงปู่ยิ้มบานนะแต่ท่านใจดีนะใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลยท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะเห็นละกามนี้มีทุกมีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นลากามมีทุกมีโทษน่ะต้องเป็นท่านนักชาถึงจะเห็นนี้ของเราก็คือบรรเทาความรุนแรงของมันจะตั้งขึ้นท่านแรกเลยมีศีลศีลสําคัญนะมีศีลก่อน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 ราคะเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยราคะจะเด่นหายไปเลยนะต่อหน้าต่อตาโมหาดูยากดูยากที่สุดเลยนะโมหาเนี่ยคือสภาวธรรมที่ทําให้เราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้หรือรู้ได้ก็รู้ได้ไม่ชัดเจนเส้นใจมันผุ่นใจมันมันมวรู้สึกไหมบางวันตื่นขึ้นมาก็มัวมั ว, ม ว, มวไม่ค่อยจะรู้เหนือรู้ใต้แล้วนะดูยาก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 เอธิปสิโกพึงกล่าวกับผู้อื uh, er. ่นว ar. ่ามาลองดูเถิดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัติดูนะวิธีลองทำยังไงโอปันยะโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จแล้วจะมีปัจจดตังเวทิตโผ่วินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะแล้วลืมตาไว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 เออ๋ยหลวงพ่อหลวงพ่อตอบเลยนะตอบรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเลิมโยกโยกเกิดอาการต่างๆนานานะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหมนะไม่มันเดินเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งๆิ่งลืมตัวแล้วรู้สึกไหมเวลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมหลงไปอยู่กับความคิด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 นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุโทโธหรือเราปกดธน้อปกดธน้อหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้ได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ ด, นะดีแล้วย่างน้อยก็ไม่ไปอบอายละเออดีนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกคนละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วน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 เอางี้เอานี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบ น, นะใส่มีซีดีแล้วเอาซีดีไปปังนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่งอนะตอบได้ทุกเรื่องไปฟังกันนะเอาวนะันนี้สดๆแกเวลานะอ้าคืนกลับบ้านหลวงพ่อก็อไปมกัน